เพื่อนดีมากลายอาจารย์ผู้ใหญ่ช่วยสั่งสอนซาบซึ้งจึงเป็นแรงช่วยพลักดันให้ฉันได้ก้าวไปถึงฝังฝันที่ฉันมุ่งหวังนังใจต้องการเป็นความพาดภูมิจากรู้ เหลืองาวสู่ความรุ่งเรืองทั่วกันดั่งคูมต้นตอสู่แดดฝนไม่วันออกดอกช่อนั้นแ่งบานงามตามจากวันนี้ไปได้นำความรู้สู่ยังท้องทิน านเราพัฒนานำพาด้วยคนนาาุณธรรมน้อมนำสู่การศึกษาสิบนิ้วก้มลงวันทาสถาบาัน บ้านงามตาจากวันนี้ไปได้นำความรู้สู่ยังท้องถิ่นบ้านเราพัฒนานำพาด้วยคุณธรรมนอบนําสู่การศึกษาสิบนิ้วก้มลงวันทาสศรัทธา ส่วที่กัเป็นผู้ฟังที่เปิดเครื่องรับฟังอยู่ทางบ้านนะครับทันโลกทันเหตุการณ์กลับมาพบกับท่านผู้ฟังเช่นเคยนำเรื่องราวที่น่าสนใจมาพูดมาคุยกันในช่วงนี้นี่ก็มีเกี่ยวกับเรื่องของการแก้ไขรัฐมนูลนะครับมีการพิจารณากันหลากหลายพลเอกประยุทธ์จันโอชานยงตรีให้สัมภาษณ์วันที่18 พฤศจิกายนที่ทำเนียบรัฐบาลนะกล่าวถึงเกี่ยวกับเรื่องของอาการชุมนุมของกลุ่มนะครับนะกลุ่มทั้งกลุ่มเสื้อเหลืองและกลุ่มภาคประชาชนนะมีการประทักกันนี่ก็นาะยงตรีบอกติดตามสถานการณ์การชุมนุมแล้วก็รายงานจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงนะครับแล้วก็บอกว่าให้กำชับว่าให้ระมัดระวังนะไม่ให้มีการใช้ความรุนแรงกำชับเจ้าหน้าที่นะครับนะว่าให้ดําเนินการ ให้มีความสงบเรียบร้อยทํหนองนั้นแหละครับ น, ะนายยงตรีก็กกำชับไปนะครับในส่วนที่พลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนาะยจงตรีนะให้สัมภาษณ์บอกว่ากล่าวว่าไม่อยากให้เกิดเหตุปะทะกันนะไม่ว่าจะเป็นฝ่ายใดอยากให้ชุมนุมโดยสันตินะครับนะแล้วนกะ็นะนะเป็นเรื่องราวส่วนนายสมพง์อมริวัตรหัวนหน้าพักเพื่อไทยแล้วก็ประธาน ฝ่ายค้านแะครับนะก็บอกให้สัมภาษณ์ว่าเหตุการณ์วันที่17บเจ็ดพฤศจิกายนนี้ก็จะต้องหาผู้รับผิดชอบมานะครับหนาะเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงกันขึ้นมานะครับนะกา ร, รเผชิญหน้านะคงจะต้องต่อไปก็อยากเรียกร้องนะให้ในส่วนของรัฐเนี่ยดูแลไม่ให้มีความรุนแรงกันเกิดขึ้นมานะครับส่วนเกี่ยวกับเรื่องของการพิจารณาแก้ไขนะครับย่าร่างแก้ไขรัฐนูล ซึ่งตรงนี้นี่วันที่18พฤ ศ, ศจิกายนนายชวนหลีกภัยประธานรัฐสภามีการให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องของการลงมติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ7ฉบับนะครับซึ่งตรงนี้นี่ก็ในส่วนของชวนก็บอกว่าก็จะดาเนินการตามปกตินะครับแล้วก็คิดว่าสมาชิกนี่ก็จะเข้ามาร่วมประชุมนะครับแล้วก็มาม า, มาโหวตลนะครับเพราะว่า คงไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับเรื่องของการชุมนุมนะครับเพราะเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นหลักธรรมดาของระบบประชาธิปไตยนะการเรียกร้องอะไรต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็คิดว่าจะผ่านไปด้วยดีนะครับซึ่งในส่วนนี้นี่ก็ปรากฏว่าในส่วนของสอสและก็ของสอวเนี่ยได้เดินทางมาประชุมแล้วก็มีการโหวตกันในช่วงบ่ายนะครับนะของวันที่18นะครับนะก็ซึ่งก็ ตามที่ประธานชวนไ ด, ไ, ดได้นัดหมายกันไว้นี่แหละครับส่วนในส่วนของนายจร อ, อึงพากรผู้อำนวยการโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนหรือไอลอก็กล่าวว่าภาพรวมการพิจารณาล่างการแก้ไขรัฐนูลในวันที่17พฤศจิกายนก็พอใจในการทำงานของสสส่วนใหญ่นะครับนะที่มีการอภิปรายในเรื่องของหลักการเนื้อหานะครับที่ ร่างแก้ไขรัฐนูลที่ในส่วนไอรอนะครับเนี่ยได้เสนอขึ้นมานะครับแต่ว่าก็อาจจะมีสวบางคนโจมตีไอรอเกี่ยวกับเรื่องของแหล่งทุนบ้างเกี่ยวกับเรื่องของในเชิงเทคนิคได้ต่างๆนะครับเป็นเรื่องของธรรมดานะครับนะเพราะในตรงนี้นี่คงจะต้องดูกันต่อไปว่าว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับซึ่งใ น, ในช่วงบ่ายนี่มีการประชุมนะครับในส่วนของรัฐสภาแล้วก็มีการ บทเสียงกันนะครับซึ่งตรงนี้นี่ก็เป็นเป็นผลของการการขานชื่อเนี่ยใช้เวลาประมาณ5ชั่วโมงเลยทีเดียวเดวันมิถุนายนนะครับมาก็มีการเรียกขึ้นมาทีละคนแล้วก็จะมีการให้พูดนะครับมีการขานนะครับว่าจะมีการร่างฉบับใดนะครับนะหรือว่าไม่ไม่รับร่างฉบับใดก็ไล่กันไปที ทีละคนน ะ, ะครับนะไล่กันไปเรื่อยๆมีอยู่ทั้งหมด7ร่างนะครับนะก็มีการขานชื่อกันจนถึงเวลา18บแปซิกาซึ่งจากผลสรุปเนี่ยนะครับนะมีการสรุปผลการลงมติปรากฏว่ามีร่างรัฐมนูลที่ได้รับการเห็นชอบในการรับร่างหลักการเพียงเพียงร่างเท่านั้นนะครับจากการประชุมของสภาก็คื อ, อร่างแก้ไขรัฐมนูลมาตรา 256เพื่อตั้งสส ร, อรของฝ่ายคา้านได้รับความเห็นชอบในวราระรับหลักการด้วยคะแนน576ต่อ21เสียงงดออกเสียง123มนะครับนะก็มีเสียงสอวอมารับหลักการ127คนนะครับนะแล้วก็ร่างแก้ไขรัฐนูนมาตรา256ของฝ่ายรัฐบาลก็ได้รับความเห็นชอบ นะในเวะละรับหลักการด้วยคะแนน647ต่อ17งดออกเสียง55ก็มีสวนะเสียงสวในะรับหลักการ176เสียงนะครับทำให้ทั้งสองล่างได้รับเสียงเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกรัฐสภานะซึ่งในขณะนี้มีจำนวน732คนนะกึ่งหนึ่งก็366เสียงขึ้นไปซึ่ง ในจำนวนกึ่งหนึ่งก็มีเสียงที่เห็นชอบนะก็จึงถือว่ามีคะแนนเสียงสอวอเกินหนึ่งใน3ก็ถือว่าได้รับความเห็นชอบก็สองร่างแหละครับของฝ่ายค้านแล้วก็ของฝ่ายรัฐบาลในส่วนที่เสนอขึ้นมานะส่วนอีกสี่ร่างที่เหลือแล้วก็ร่างของภาคประชาชนไอรอนี่ก็ก็ไม่ผ่านนะครับนะเพราะคะแนนเสียงไม่เห็นชอบเนี่ยไม่ผ่านนะ ก, ก็ถือว่าตกไปและในส่วนนี้ในส่วนของ สภามีการตั้งคณะกรรมการพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมรัฐรรมนูลจำนวน45คนนะก็แบ่งเป็นสอวอ15คนสอสอ30คนนะครับซึ่งก็กระจายกันไปตามพักต่างๆนะให้มีกรอบเวลาการทำงาน45วันนะครับในการที่จะไปไปไปไประชุมคณะ ก, กรรมการพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมนะร่างดังกล่าว เขาบอกว่าจะนัดประชุมกันนัดแรกวันที่24พฤศจิกายนนะครับซึ่งในส่วนของประธานสภาทัานชวนฤทธิ์ไสั่งปิดประชุมเวลา 19.30 นอของวันที่ mm hmm. 18พฤศจิกายนนี้นะครับซึ่งตรงนี้นี่ก็ก็มีการปิดการประชุมนะครับแล้วก็ให้ในส่วนของคณะกรรมการไปยกร่างไปพิจารณาแก้ไขอะไรต่างๆ นะครับกันนะครับซึ่งตรงนี้นี่ก็คงจะดูนะครับมาดูรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของการรับล่างเนี่ยนะครับปรากฏว่าในส่วนของล่างของภาคประชาชนนะครับมีสวเพียง3คนนะครับที่มาลงคะแนนรับล่างของภาคประชาชนหรือล่างไอรอนะครับซึ่งมีมีจากจานวนสว2องคนนะครับเพราะฉะัตรงนี้นี่ก็ มีสวสามคนก็คือมีคุณนวรัตภงไพบูล์นะศิลปินแห่งชาติมีนายพิรศพจิตอดีตประธานรองประธานสอนชอชนะครับแล้วก็มีนายพิสารมาน ว, ว, วัพัฒน์อดีตเอกอัครชัชธูตนกักกงวชิงตันของสหรัฐนะมีอยู่สามคนซึ่งเป็นสวนะครับมารับล่างของพรรคประชาชนนะครับตอนนั้นที่เหลือก็ไม่ ไ, มได้รับนะครับเพราะตรงนี้นี่คงจะต้องดู แล้วก็ในส่วนนี้นี่ก็จากการเปิดเผยเนี่ยคณะกรรมาการเนี่ยคงจะต้องกลับไปพิจารณาไปพูดไปคุยกันต่อนะครับว่าจะจะทำอย่างไรกันนะครับในการที่จะยกร่างกันกันขึ้นมาซึ่งก็มีความเห็นที่ค่อนข้างที่จะหลากหลายอาจจะต้องมีการาฟังเสียงในส่วนของอาภาคประชาชนนะการประกอบกันไปไปด้วยแหะครับนะว่าว่าจะ เสนอขึ้นมาแล้วจะทำให้ในส่วนของอกฎหมายนี่เป็นประชาธิปไตยได้อย่างไรนะครับนะเพราะเพื่อที่จะทำให้าการทำงานอาของของสภาเนี่ยสอดคล้องนะครับเชื่อมโยงกับภาคภาคประชาชนนะครับแต่พักนัคมจะต้องอพิจารณาดูด้วยนะครับนะเพราะว่าการที่ข้อเสนอของภาคประชาชนนี่มีคนลงชื่อนับแสนคนเนี่ยก็จะเป็นจำนวนมากนะครับก็อาจจะได้รับการ พิจารณาเช่นกันนะครับคงคงจะต้องดูกันกันตรงนี้นะครับว่าจะจะทำอย่างไรนะครับและนอกจากนี้มีข่าวความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับเรื่องของอในส่วนของการแก้ปัญหาต่างๆนะครับโดยเฉพา ะ, ะรัฐบาลเนี่ยก็มีแนวทางเกี่ยวกับแก้ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของเงินกู้กอยอสอของของนักศึกษาเนี่ยแหละครับนะก็มีแนวโน้มว่าจะมีการ ชงกฎระเบียบให้มีการยกเลิกคนค้ำประกันเพราะว่ามีปัญหามากนะครับเพราะว่าการที่นักศึกษานักเรียนนักศึกษากู้ยืมแล้วให้ครูยาครูบาอาจารย์ไปคำนะ้ำแล้วก็ไม่ได้มีการผ่อนส่งเงินกู้ทำให้ครูบาอาจารย์เนี่ยต้องคดีนะในในศาลกันมากนะก็เปลี่ยนแปเป็นปัญหาแล้วครับตรงนี้ในในส่วนนี้ก็มีแนวคิดว่าจะมีการชงแนวคิดที่จะยกเลิกนะครับการ การประกันเงินกู้ก่หยอสอซึ่งตรงนี้นายนางสาวไตสุรีไตสุวรรณกุลรองโฆษกประจําสํานักนายงตรีก็บอกว่านายอนุทินชาญวิรุฬกุลรองนายกเสนอต่อที่ประชุมคลมให้ปรับหลักเกณฑ์กองทุนเงินให้ยืมเพื่อการศึกษาก่หยอสอกเสนอยกเลิกให้มีผู้ค้ําประกันนะเพราะเป็นห่วงว่าจะทําให้เกิดความเดือดร้อนกับผู้ตัวผู้ผู้คำ้ำนะนะส่วนตรงนี้นี่ก็ ก็เป็นการยกเลิกอยากไม่ให้อยากมีผลกระทบแะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่านักศึกษายืมแล้วไม่ใช้เนี่ยก็จะมีผลนะอย่างที่เห็ น, นครับซึ่งนอกจากนี้นี่ก็ในส่วนนี้นที่ประชุมของคอรมรับทราบการดาเนินการช่วยเหลือลูกหนี้ของกอยศนะครับนะเพราะว่าหลายคนนี่ทำงานแล้วก็จะยังมีไรายได้ไม่พอก็จะมีการปรับลดเบีย้ยปรับลงไปนะครับหรือว่าจะมีการ ช่วยเหลือในด้านต่า ง, างๆนะครับน ะ, ะเพราะฉะนั้นตรงนี้นี่กองทุนเนี่ยสถานการณ์กองกองทุนกยศออให้กู้ไปแล้วประมาณ5้าล0 0 0เาแสนรายนะคิดเงินคิดเป็นเงินประมาณ 6.39.000 ล้านบาทนะโดยปีการศึกษา2อ6 3ให้กู้ทั้งสิ้นประมาณ0 0แสนรายก็เป็นเงิน 33.000 ล้านนะครับนะขณะที่ผลการชำระนี่ในปีงบประมาณ สองหมีจํานวนประมาณ 31,000 ล้านบาทในปีงบประมาณ63มี2 7 0 0 0ืล้านนะครับเพราะในตรงนี้นี่ก็คงจะต้องดูนะครับสวัสดิการเกี่ยวกับเรื่องของการศึกษาเนี่ยจะต้องจําเป็นนะครับในการที่รัฐจะต้องจัดให้กับภาคประชาชนหรือเยาวชนนะครับเพราะว่าเขาจะได้เอาไปประกอบอาชีพอะไรต่างๆได้แต่อย่างไรก็แล้วแต่นี่ก็คงจะต้องดู เกี่ยวกับเรื่องของวินัยทางด้านการเงินการคลังนะครับก็มีการติดตามมีการติดตามในเรื่องของการชําระนะคงจะต้องดูกันต่อไปว่าว่าเป็นเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับนะในช่วงนี้ในในส่วนของรัฐบาลนะบอกว่าจะมีการขยายโครงการคนละครึ่งเฟดสอนะครับซึ่งประชาชนโดยเฉพาะรายเล็กรายน้อยใ น, ยนยยการตอบรับกันมากเนี่ยใน พรชัยนะทีละเวทที่ปรึกษาทางด้านเศรษฐกิจการเงินสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะรองโฆษกของกระทรวงการคังก็เปิดเผยว่าวันที่สิบแปดพฤศจิกายนเนี่ยเปิดเผยเมื่อวันที่18ก็บอกว่าที่ประชุมของคณะกรรมการบริหารสถานการเศรษฐกิจก็มีในส่วนของมีการประชุมของคณะกมการแล้วก็มีการสั่งการให้กระทรวงการคลังเปิดให้ประชาชน ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งนะครับเพื่อเพิ่มเติมในวันที่19พฤศจิกายนอีกประมาณ7 0 0 0นะ7 0 0 0ลายโดยจะให้มีการรวบรวมสิทธิ์คงเหลือจากผู้ที่ลงทะเบียนไม่ผ่านนะครับในรอบที่ผ่านมาประมาณ 2.5 ล้านสิทธิ์นะครับก็เปิดลงทะเบียนรอบ2นะครับนะในวันที่11พฤศจิกายนก็จะเชิญชวน ประชาชนมาลงทะเบียนนะครับผ่านาเว็บไซต์เวอร์ไเว็ว บ, บคนละครึ่งเนี่ยแหละครับนะเพราะตรงนี้นี่ก็เป็นการมาตรการในการที่จะสั่งนะครับให้มีการาเพิ่มนะครับนะมีการเปิดขยายนะการลงทะเบียนเพิ่มเติมกันขึ้นมา ป, ประมาณ 700,000 นสิทธิ์นะครับนะท่านที่สนใจก็ลงทะเบียนกันนะเพื่อที่จะเห็นว่าแม่ค้านะครับนะก็ทํามาค้าขายนี่ก็ก็ ขายดีขึ้นนะครับสำหรับรังร้านที่ลูกค้านี่มาซื้อแล้วก็มีการจ่ายกันคนละครึ่งนะครับนะเพราะตรงนี้ก็เป็นการช่วยร า, ายเล็กรายน้อยได้ส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็มีมาตรการในการที่จะส่งเสริมการใช้รถยนต์ไฟฟ้ากันขึ้นมาอีกนะครับในส่วนของรัฐบาลเนี่ยนะครับนายดนุชาพิชยา น, านันเลขาธิการสำนักงานสภาสภาพัฒน์หรือสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติก็บอกว่า ที่ประชุมของศูนย์บริหารเศรษฐกิจนะก็เห็นชอบนะข้อเสนอในเรื่องของนะแผนแก้ไขเศรษฐกิจนะโดยซึ่งแผนที่สำคัญนะก็คือการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมยานพาหนะไฟฟ้าหรือรถยนต์ไฟฟ้านะเพื่อที่จะให้เนะมืองไทยเราเนี่ยเป็นเมืองสะอาดนะปลอดคาร์บอนนะครับเพราะงั้นโครงการนี้ก็จะมีโครงการ รถแลกแจกแถมนะครับอย่างเช่นนำรถเก่ามาแลกกับรถใหมนะ่ประมาณแสนคันนะครับโดย ه, ตรงนี้นี่คือนำรถเก่ามาแลกเอารถไฟฟ้าใหม่นี่นะครับนะได้เหมือนกันก็เป็นการพยายามที่จะรณรงค์ให้คนเนี่ยหันมาใช้รถไฟฟ้านะครับกันมากขึ้นนะครับแล้วก็มีมาตรการ อ, อื่นๆนะครับนะ่ะที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจนะอย่างเช่น ส่งเสริมอุตสาหกรรมเครื่องมือทางการแพทย์หรือว่าส่งเสริมการจ้างงานนะโดยเฉพาะการจ้างงานในชนบทในหมู่บ้านในชุมชนนะครับเพื่อที่จะให้ประชาชนเนี่ยทำงานในพื้นที่ก็ดีรวมทั้งเกี่ยวกับเรื่องของการสนับสนุนการมาท่องเที่ยวในในประเทศของชาว ต, าาต่นะนะง า, ตางชาตินะครับแตซึ่งมีการให้ต่างชาติเนี่ยมานะครับมาม า, มาเที่ยวในประเทศไทยโดยมีการกักตัว ในระยะหนึ่งะครับนะก็มีมาตรการกระตุ้นกันขึ้นมาแต่จริงๆแล้วเกี่ยวกับเรื่องของรถไฟฟ้านี่คงจะต้องดูล่ะครับนะว่ามันเป็นอย่างไรกันบ้างนะคงจะต้องมีสถานีเกี่ยวกับเรื่องของการมาเติมสถานีในการชาร์จไฟนะให้ทั่วถึงแล้วครับนะเพราะที่ผ่านมาเนี่ยเรายังมีสถานีเกี่ยวเรื่องของการชาร์จไฟฟ้าตามปัม๊มตามต่างๆนี่ยังน้อยนะครับทำอย่างไรที่จะเพิ่มให้สูงมากขึ้น นะครับก็จะเป็นสิ่งที่ดีนะครับพอที่ผ่านมานี้ยังติดขัดเกี่ยวกับเรื่องของสถานีในการชาตนะครับรวมทั้งเกี่ยวกับเรื่องของราคารถไฟฟ้านี่ก็ยังแพงอยู่นะถ้าปรับให้มีในส่วนของราคาเนี่ยถูกลงมานะครับนั่นก็จะมีคนเดิหันมาใช้มากนะเพราะเกี่ยวกับเรื่องของการซ่อมเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลอะไรต่างๆนี่ค่อนข้างที่จะดูแลง่ายกว่ารถเบนซินหรือดีเซลอะครับนะซึ่ง ตรงนี้เราจะเห็นว่าในประเทศแถวประเทศจีนหรือว่าญี่ปุ่นนะเกาหลีต่างๆนี้มีการใช้รถไฟฟ้ากันกันมากขึ้นเรื่อยๆนะครับซึ่งก็เป็นพลังงานสะอาดก็คงจะต้องติดตามดูมาตรการของของรัฐบาลกันต่อไปแล้วครับว่าจะนำส่วนนี้เข้ามาแก้ไขกันกันอย่างไรในเรื่องของรถไฟฟ้านะครับส่วนเกี่ยวกับเรื่องของการการส่งเสริมเกี่ยวกับเรื่อง ของการท่องเที่ยวเด่นนะครับนะการที่จะให้ต่างชาติเข้ามานี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ควรจะต้องเร่งทําสํำหรับวันนี้นะครับเวลาของรายการของเรามาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วชีวิตจะสั้นเพราะควันบุหรี่เรามาร่วมมือกันลดละเลิกสูบบุหรี่ครับสำหรับวันนี้ผมนิรันด์กุลธนันต้องขอลาท่านไปก่อนแล้วพบกันโอกาสหน้าครับสวัสดีครับ ตาสองมองสองฟังทางทรายและวาหน่วยนอปะออล่องเรือริบฝั่งคงคาระเวนน่านนามตามทางอ้ละนาแสนเปลี่ยวใจเลือสาวคนงามอยู่ตามทางน้องนาง สวนผักโลูกพลิกมาคือเมื่อเจอสามไว้หัวใจแทบลุดจากเรือหากสาวเจ้าหนังจุนเจือลูกทับเรือหักได้พนน้ดอกละดูบานแล้วตามแมวฟังโพกเพราะเพียงนิมน้องอนง แม่คงอย่าคิดชัง น, นอปพอต่อชดดอที่เขาไกลหานอปขอมาขอเคียงค่ารับรักสักครั้งคนดีสาอีสานเจ้าแสนซื่อสนคำที่เขาเล่าเลอ งานหรือก็อขยังอย่างนี้ที่มีแต่ใจหาทิ้งไมามีคนดีจะมาปลูกรักที่นีปรับพักให้นมน่อปอ เขาเล่าลือ ง, งานหรือก็พ ย, ยังอย่างนี้ที่มีแต่ใจหากจริงไห่คนดีจะมาปลุกรากทีนี้รับหกพี่นุ่มหน่อปอ